เพราะเขาเห็นประโยชน์ว่าได้มาปฏิบัติกับเราเนี่ยเขาได้ภาวนามากกว่ามานั่งฟะพระพูดบางทีเป็นเรื่องนอกเรื่องเรื่องของความดีทั่วไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการปฏิบัติเขาก็รู้สึกเสียเวลาบางคนไปคสต่างๆมาเขาบอกองมาครททำคอดเราเนี่ยไม่ได้ทำเต็มที่หน่อย ไม่ใช่ไอ้อ า, าก็เรียกรวมกันฟังธรรมไอ้อ า, าก็เรียกรวมกันฟังธรรมเขาไม่เป็นอันทำแต่พอมานั่งทำของเราเนี่ยเก็บปฏิบัติสักสามวันจากนั้นก็เข้าเก็บอารมณ์กันสี่วันเขาได้ทําเต็มที่คนเก่าก็ได้ทำสี่วันคนกลางก็ได้ทำสามวันคนใหม่ก็ได้ทำ 1, วันหนึ่งสองวันกันไปอย่างเนี้ยทุกคอร์สที่เราทํามาเขาก็ได้ประโยชน์ ช่วงเช้านี้ฟังคนที่เคยปฏิบัติมาหลายครั้รายงานแล้วก็น่าชื่นใจว่าแต่ละคนได้สัมผัสสภาวะอะไรต่างๆได้ชัดเจน <c oughs> ต่อไปในทีมงานนี้ก็สามารถรวมกันเป็นทีมงานทำงานแทนได้ในจุดต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเราก็คิดว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาจะศรัทธาเขาแรงกว่าไปที่ไหนเราก็ได้คนนำปฏิบัติที่นั่นแต่ปีนี้เราก็เริ่มมีหลายๆคนที่สามารถช่วย สมม้ติปฏิบัติกันพ่อมาสี่ปีห้าปีเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยหลพ่อพูดได้ละหลวงพ่อลอ ง, องพ่อจะอยู่ไม่อยู่ก็ช่วยกันปฏิบัติช่วยกันอ่าแบ่งปันธรรมะนะครั้ง น, น, นี้ก็ไม่มีท่านสมพงษ์ช่วยท่านสงบมาช่วยอละพระจากพอดีว่าเขาจะมาร่วมงานวันเกิดผู้นี้ เขามาก็บอกไม่ต้องมาไปช่วยงานที่ครุสติเขาก็ไปช่วยกันที่นั่นก็ไม่ต้องมาก็ได้พวกนี้เขาบอกวัดธรรมถือว่าได้ช่วยงานนะี่ถูกต้องที่สุดละถ้ามาร่วมงานมันเกิดวันหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้ถึงที่ก็ไปช่วยที่นั่นห้าวันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าชีวิตเราสั้นผ่านไปเร็วเราจะมาทาอะไรสิ่งที่มัน ไร้สาระนี่มไม่ได้เสียเวลาชีวิตดัง น, น, นั้นอันไหยที่เป็นประโยชน์ก็ทำอันไหนที่มันทำให้เกิดความรักความสามัคคีความเมตตาเอื้ออารีกันแล้วก็ทำนะสิ่งไหนจะทำให้เกิดความอึดอัดขัดแย้งเกิดความไม่สบายใจต่อผู้อื่นเราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนจะพูดไปทำไปคิดไปเพราะสิ่งไหนที่เราพูดเราทำไปคิดมันแล้วมันเอาคืนไม่ได้ นั้นสิ่งไหนที่จะพูดจะทำจะคิดไปก็ต้องไต่ตรองพิจารนาว่าจะมีผลกระทบตนเองไหมผู้อื่นไหมผู้อื่นจะเดือดร้อนไหมตัวเองจะเดือดร้อนไหมต้องคิดกันหลายตลกมันถึงจะคุ้มค่ากับการธรรมะที่เราได้ปฏิบัติเหมือนเราหาเงินมายากลำบากเราจะใช้ใจแต่ละบาทแต่ละสตังต้องคิดไม่ใช่อยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายเหมือนกันเราเกิดมานี่เป็นเจ้าของชีดนี้ เรามีสิทธิ์ใช้แค่สามอย่างคือใช้กายใช้วาจากช้ใจเท่านั้นเองเมื่อเรามีใช้แค่สามสามอย่างก็ต้องใช้แบบประหยัดนะถ้าใช้แบบสริสุล่ายใช้ไปไม่เป็นประโยชน์แถมเป็นโทษกับตัวเองทำให้เราโกรธเข า, ขขาเกลียดทําให้เขาเป็นทุกข์แล้วก็คนที่เจ้าพิจารณาการปฏิบัติแล้วถึงจะมีผลนะถ้าเราทําพูดคิดไปโดยที่ไม่พิจารณาสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอด ก็ไม่ได้ผลเหมือนเงินเราหาเงินมาตลอดจะได้เงินเกมาเงินไปนใช้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเราละเพราะมันเป็นของเกงการปฏิบัติกานถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ผลเราก็พูดทำคิดในสิ่งที่มันไม่มีค่าเป็นของเกไปทำให้คนอื่นลำบากใจทำให้คนอื่นอัดใจทำให้คนอื่นน้อยใจเสียใจอย่างนี้ก็ไปพิจารณา ก็ในเมื่อพิจารณาค่ควรดีแล้วพูดทําคิดออกไปคนอื่นจะน้อยใจเสียใจก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราก็ต้องใค่ายควรว่าจะทำเนี่ให้มันไม่เกิดดีที่สุดนั่นก็เลยนั่นคือบอกถึงคุณค่าขอการปฏิบัติถ้าเราทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็การปฏิบัติของเราก็มีคุณค่าน้อยสิ่งไหนที่เราทําไปเที่ยมีคุณค่าตรงที่มันเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ ก็ตนเองแล้วผู้อื่นแต่สินงันตรงนั้นนะอันนั้นที่เขาทำการตอนเช้าบางคนก็มาไกลนะมาถึงกระบี่ตรงังมาจากไม่สอดมนาะจากต่างจังหวัดก็มาร่วมกันก็เลยว่ า, าทำอะไรก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบดีนะทแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ทำเลอะเทอะเลอะละทำให้ มันเข้ากับสภาวะเราเป็นนักปฏิบัติเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมดีงามนะเราก็ต้อง <c oughs> มีการเตรียมการนะที่นี้มาก็ไม่รู้เรื่องเขาเตรียมการอย่างไร <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้ที่เตรียมการทางอเมริกาเองก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือเป็นทุนในการซื้อเสื้อแจกบางเป็นทุนพิมพ์หนังสือบ้างเป็นทุนเลี้ยงอาหารบ้างทุนส่วนหนึ่งก็มาจากอเมริกา งั้นาจะเห็นว่าเราทำในสิ่งที่ดีก็สิ่งที่ดีก็ตอบสนองแต่ว่าเราทำความดีทำให้คนอื่นได้รับความสุขเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะเรามีความสุขเราก็อยากให้คนอื่นไปสุขบ้างเมื่อก่อนเรามีความทุกข์เราก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์และเราไม่อยากทำให้คุณทุกข์อย่างเราอยากให้คนอื่นมีความสุขความสบายอย่างเรางั้นแต่หลังมา ก็มาเน้นเรื่องความสบายกายด้วย น, นั้นก็เลยแต่ละคอทในช่วงปีนี้แล้วก็บอกว่าต้องทุกคนต้องออกกําลังกายตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นมาก็ออกกําลังกายพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงทานน้ำแล้วอาหารในคอทส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารมังสวิรัตเป็นส่วนใหญ่นะก็มันก็เลยเบาสบายต่างคนคอทนี้ก็พูดถึง เป็นข้อเรยอองอโยนิโสมสิการคือให้ไปพิจารณาว่าการปฏิบัติเนี่ยจะถ้าให้เกิดความแยบคายถี่ท่วนอย่างไรปรากฏว่าได้ผลแต่คนรายงานเนี่ยูก็เป็นสิ่งที่เราค า, าดไม่ถึงว่าเขาจะทำได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเองก็มีส่วนที่ช่วยให้าการพัฒนาการปฏิบัติได้เร็วขึ้นนะนี่จาก ช่วงนี้เราได้พักประมาณสักเกือบอาทิตย์จากนั้นก็ไปต่อที่สวนพันดาวตั้งแต่ยี่ห้าแต่ละคอร์สที่จะไปก็ปรากฏว่าจนจองกันเต็มก่อนเป็นห ก, นะก็พอเราจํารับไม่มากที่สวนพันดาวก็รับได้แค่ไม่เกินสามสิบคนสวนสติดอยสงโง่ก็ดูเหมือนจะเต็มนะ เป็นพูจิกาก็เลยไม่ได้จัดกรุงเทพเพราะว่าต้องไปจัดที่เชยภูมิเพราะบัณฑงพ็ะหลอดตัวนั้นเข้ามากันก็มาขอให้ไปจัดไม่ได้จำเป็นว่าเราย้ายคอดที่หลังจากก่อนทอดกระถินนะหลังทอดกระถิ่นไปจัดที่เชยภูมิกลับมาจากชยภูมิก็ไปจัดที่เขาโดอยสงฆ์เชียงแสน รู้สึกว่าทางยมริสาเขาจะมาร่วมด้วยคอตนั้นนั่นเองก็เห็นว่าคนยิ่งปฏิบัติไปยิ่งนานก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเหมือนการเรียนังสูรีคอตนี้ได้รู้จักอันนี้คอตนี้ได้รู้จักอันนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆควาจริงเป้าหมายเราต้องการให้รู้เรื่องการดูการเกิดดับเป็นอารมณ์ที่ชัดเจน ไม่ใช่เรื่อการเกิดดับเป็นลมว่าอะไรเกิดเป็นดับดูที่ไหนกันแน่เนี่ยมันไม่ได้สเปะสป่าไม่ได้ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปในที่เราสวดธรรมจากเมื่อกี้ที่พระพัญญากทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เข้าใจฟังแล้วเข้าใจแล้วสรุปคำทั้งหมดคําสอนของธรรมเทศนากันเนี้ยสรุปเพียงสั้นๆไว้ยังกินจสมุทญยธรร ม, มัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรมรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรมรมดาท่านสรุปอริยสัจ ส, สี่สั้นๆที่ได้สวดมาทั้งหมดว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นตัวเกิดนิโรธเป็นตัวดับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดมรรคเป็นเหตุให้ดับสรุปแล้วทุ ก, กสมุทัยเป็นเกิด และนิโรธก็มักก็เป็นดับงนั้นสรุปได้อย่างนั้นอริยสัจสี่เมื่อการดูอริยสัจสีดูการเกิดดับเป็นก็ดูอริยสัจสี่ออกเท่านั้นเองเองช่นการเกิดดับของอะไรการเกิดดับของรูปดูความเกิดดับในระดับของรูปคือเอารูปเป็นอารมณ์เช่นรูปมันเกิดมันดับมันเกิดอย่างไรเช่นเรานั่งมันก็เกิดทุกข์ หนักตรงนั้นโปดตรงนี้เมื่อยตรงนั้นอมันเกิดที่เราจะทําให้มันดับเราก็ขยับเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นเพราะนั้นการเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าเราต้องการดับทุกนั่นเองถ้านั่งไปนานๆไม่เคลื่อนไหวทุกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เราก็ปรับในการปรับแต่ละครั้งการเข้าไปกําหนดรู้ทุก์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเข้าไปเปลี่ยนในเยบทและกําหนดการเปลี่ยนนั่นเองนั่นเรียก ว, ว่าเรา เห็นการเกิดขึ้นและรู้การดับไปของทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนด้วยความไม่รู้เราก็ไม่รู้การเกิดและการดับเกิดขึ้นก็ไม่รู้เรารู้ว่าเราเจ็บแล้วก็ไม่สบายเราเปลี่ยนก็แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไปนี่ก็เรียกว่าไม่เห็นการเกิดดับการเกิดดับมีอยู่แต่ไม่เห็นเราจึงเรียกการเกิดดับแบบนั้นเรียกว่าอวิชชาเพราะเราไม่เห็นขบวนการเกิดและการดับเป็นไปโดยสัญชาตญาณนี่ นี่คือเห็นการเกิดดับของระดับรูปคือเห็นอย่างนี้ว่าเห็นว่าทุกขมันเกิดยืนก็ทุกนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกเราก็ขยับปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขอให้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเกิดดับของรูปและนามนี้ขอให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อเราเอาการเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์ก็คือเอาการเกิดดับเป็นอารมณ์แต่ถ้าสรุปอย่างนี้มันกว้างไปแต่บอกว่า ที่เราเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในอิบุตรนานเดียวนานไม่ได้มันทุกข์มันเกิดเราต้องการให้ทุกข์มันเบาแล้วดับมันก็ในการเคลื่อนขยับก็ขยับปับ๊บทุกขเวทนาเบาบางไปทุกขก็ดับไปถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดแต่ท่านใช้คําว่าพอทนได้ลักษณะพอทนไดนี่เองท่านเรียกว่าทางสายกลาง ท่านหนักปวดเกินไปท่านก็บอกให้ละไปสุดตรงไปทางอาตากิลมัทฐานโยกแต่ถ้าหากว่านั่งอย่างนี้ทนไม่ได้ล้วก็หนีไปนอนซะหนีไปทำอะไรที่สบายกว่า น, นี้ท่านบอกอันนั้นก็คนจะละเป็นกามาสุขานิการโยกรักสบายเกินไปทำอะไรไม่รอดทำอะไรไม่สำเร็จเพราะติดสบายอย่างนี้ก็ท่านก็บอกให้ละทำให้เป็นคนขี้เกียจเดืเอร้อน นเนี่ยน่าจะเห็นว่าการคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาโดยแยบคา ย, ยานี้เราจะฟังไปร้อยวันพันหนก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะคําสอนของท่านเหมือนกับโยนเพชรให้เราก้อนหนึ่งถ้าเราจะเอาไปขึ้นไปขายมันก็ยากพอามาเจียรในใช้เป็นเครื่องประดับใช้เป็นเครื่องมือทํางานเพชรก้อนนั้นก็เป็นประโยชน์ถึงว่าเราเจียรย์ใน ฉันได้ก็ดีคําสอนที่เป็นดุนเป็นแท่งเป็นก้อนมานี่ยถ้าเราไม่ไมาเอาเจริญในหาข้อหมายที่ถูกต้องคําสอนนั้นก็ก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็เคยท่องงําจําได้กัมาไม่รู้นานเท่าไหร่แต่เราก็ยังกระดับทุกข์ไม่ได้อยู่ดีเพราะเรายังไม่ได้เอาธรรมะนั้นมาขบมาพิจารณาให้มันใช้ได้เอามาเจริญในใช้ได้พอเรารู้บอกว่าการเกิดคือความไม่สบายการดับทุกข์นั้นดับไปอย่ารู้สึกสบาย แต่การเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะเหตุเหตุของเราก็คือสาเหตุที่มันปวดมันหนักเพราะอะไรก็เพราะว่าการทํางานของอณิจังการทํางานตะระวาเลือดต้องหมุนเลือ่อนลมต้องเคลื่อนเลือดต้องหมุนตลอดเวลาแต่พอเราไปนั่งกดนั่งทับมันไว้มันหมุนไม่สะดวกมันเคลื่อนไม่สะดวกมันก็ดันดันไปก็เกิดอาการเรียกว่าความดันให้หนัก เมื่อเราขยับขับเคลื่อนปับ๊บเลือดลมได้วิ่งทำหน้าที่ของมันความกดดันก็ลดลงความเบาก็ปรากฏอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าเห็นการเกิดและเห็นตู้เหตุของการเกิดแล้วเวลาจะดับมันเพียงแค่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเราก็รู้การปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวทุกนั้นก็ดับไปเห็นการดับไปของทุกด้วยนี้เขาเรียกว่ารู้การเกิดดับในระดับกาย แล้วก็เหมือนดูกายก็ดูเวทนาเป็นในตัวเวทนาเกิดและก็เวทนากระดับแต่เราเห็นกายเคลื่อนไหวแต่เวทนาที่มันเคลื่อนมันเกิดมันดับเราไม่เห็นเห็นแต่ว่ากายเคลื่อนไหวแต่เวทนาสุขทุกแต่ละคนเราไม่รู้ของใครหนักของใครเบาแต่เรารู้ว่าคนนั้นมีการเคลื่อนไหวนั้นแสดงว่าเขาก็มีการอาการเกิดทุกข์และการดับเขาต้องการดับทุกข์จึงเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นต้น นีระ ด, ดับระ ด, ดับการเกิดอาศัยกายและเวทนานิทนะานระดับการดับก็อาศัยว่าเมื่อดับไปแล้วเหลือหรือไม่เหลือบางทีขยับนิดเดียวมันก็ออกไปแต่มันยังเหลืออยู่เวลาเราขยับทุกดับมันเหลืออยู่ แต่พอเราเปลี่ยนไปอีกข้างหนึง่งทุกนั้นข้างนั้นดับโดยไม่เหลือแต่ทุกในข้างใหม่เกิดขึ้นใหม่แต่ทุกอีกข้างหนึ่งดับโดยไม่เหลือเราก็เห็นนะทุกจากการนั่งพอเราเปลี่ยนไปยืนปั๊บทุกจากการนั่งก็ดับโดยไม่เหลือแต่มันก็จะไปเริ่มจากการยืนเพราะฉะนั้นทุกของกายจึงอยู่แค่บำบัดไม่สามารถที่จะทาให้หมดไปได้ จะบำบัดให้เหลือหรือว่าให้หมดก็เป็นเรื่องการบำบัดหมายความมันต้องเกิดอีกจึงเรียกว่าบำบัดแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดอีกเขาเรียกว่าดับไปหมดไปสิ้นไปนระดับกายกับเวทนาเรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์และสมุทยัยระดับจิตและอารมณ์เขาเรียกว่านิโรธกัมมักนในส่วนไหนเป็นมักส่วนไหนเป็นนิโรธระหว่างจิต กับอารมณ์ตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับตัวทุกเป็นตัวผลตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุตัวจิตเป็นผลตัวมรรคเป็นเหตุตัวอารมณ์เป็นมรรคตัวจิตเป็นผลเป็นผลตัวรู้ตัวอารมณ์เป็นเหตุให้เกิด เพราะนั้น น, น, นิโรธกาม ก, ก็คือตัวมันดับและเหตุของการดับมันเองทุกดับที่จิตไม่ได้ดับที่อารมณ์แต่อารมณ์นั้นดับไปในจิตเพราะนั้นว่าการเคลื่อนไหวของอารมณ์เช่นเราคิดออกไปในทางดีก็อารมณ์ดีคิดออกไปทางร้ายก็อารมณ์ร้ายแต่ ความคิดทั้งดีทั้งร้ายต่างก็เกิดที่จิตดังนั้ น, น, นการเคลื่อนไหวของอารมณ์คือการเคลื่อนไหวของจิตดนั้นเราจะดับที่จิตก็ดับอารมณ์เสียก่อนคือเหตุของที่จะให้เกิดจิตคือเกิดความคิดคืออารมณ์เพราะเราดับอารมณ์ปั๊บความคิดก็ดับดังนั้นการเคลื่อนไหวของความคิดการเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดนั่นเองการเข้าไปดูความคิดเพื่อให้มันดับ ก็คือเข้าไปจัดการที่เหตุคือตัวอารมณ์ที่ตัวที่เข้าไปจัดการนี้ตัวนี้เป็นตัวไม่เกิดไม่ดับก็คือตัวรู้เรียกว่ายานเราจึงสร้างจะคุงอุท ạ ปฏิญาณอุท ạ ปฏิเวลาสวดต้องใช้ยานคือตัวรู้ตัวนี้มัน ส่วนหนึ่งของวิญญาณนั่นเองแต่เมื่อมันไม่ได้เกิดทําหน้าที่เกิดดับมันจึงกลายเป็นญาณแต่ถ้ามั น, นทํหน้าที่เกิดดับอยู่มันก็เป็นวิญญาณที่เกิดมาจากต่อรูปเวทนาสังขารวิญญาณแต่เมื่อทําหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่เป็นผู้รู้เกิดรู้ดับเป็นผู้จัดการรู้ให้เห็นการเกิดการดับของขันห้าจึงเรียกว่าญาณญาณังจักขุงทัปฏิญาณังทัปธิ เมื่อเกิดญาณล้วก็เกิดปัญญารอบรู้ที่ไปที่มาเมื่อเกิดปัญญาแล้วกเกิดวิชาคือการจัดขบวนการให้เห็นลำดับการเกิดและการดับเมื่อเกิดปัญญาก็เกิดความเข้าใจเรียกว่าแสงสว่างคืออะโรกูทปปิเนี่ยเรามาย่อยอ ย, อย่างนี้จะเห็นชัดว่าอ๋อคำว่าญาณเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวไม่มีในขันห้า แต่อาศัยวิญญาณเกิดแต่มันไม่ได้มีในขันห้าเราจึงใช้ยานตรงนี้เข้าไปจัดการรูปและนามได้ตรงนี้เองเราจะเรียกว่าที่จะพัฒนามาเป็นปรามัตดในโอกาสต่อไปในโอกาสที่มันอยู่ในของการเกิดดับอยู่เรียกว่าเป็นสมมุติตัวยานจึงเป็นปรามัดเราจึงมาพัฒนายานพัฒนาตัวรู้ ด้วยการตามดูสมมุติการเกิดดับนั่นเองการเกิดดับของสมมุติก็เกิดยานขึ้นมาเหมือนกับเราจะจุดไฟให้เกิดแสงสว่างก็อาศัยเทียนไขและน้ํามันบ้างเย็ยนบ้างถ้าไม่มีเทียนไขไม่มีน้ํามันไม่มีเชื้อเพลิงแสงสว่างก็เกิดไม่ได้ฉันใดเมื่อไม่มีขันห้ายานก็เกิดไม่ได้อันนี้ทําประเทศนาคันนี้มีความมาอย่างนี้ เมื่อพระอัญญากุริยะฟังแล้วก็สรุปความได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและการดับเพราะนั้นเกิดแล้วต้องดับแต่ว่าจะเกิดอย่างไรดับอย่างไรจะเกิดมากดับน้อยจะเกิดน้อยดับมากจะเกิดช้าดับเร็วจะเกิดเร็วดับช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวเรามีญาณหรือไม่มีเท่านั้นเองถ้าคุณไม่มีญาณการเกิดการดับไม่เท่ากันทุกก็เกิด เช่นเรานั่งนานปล่อยให้เกิดมากแต่ขยับนิดเดียวดับมันน้อยไม่สมดุลกันทุกก็เกิดแต่ถ้าหากว่าเราไม่สบายเท่าไหร่แล้วขยับเท่านั้นทุกก็ดับนั้นอานิจังทาหน้าที่ทุกจะเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเราเกิดญาณหรือไม่เกิดญาณถ้าเราเกิดญาณขึ้นมาเราก็ทาเปลี่ยนอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นศีลสมิปริญญาได้ในทันทีนะ เรียกว่าเป็นมักศีล ส, สมาธิปยียะเครื่องกายเป็นมักยิ่พระ อ, องค์แสดงธรรมกันนี้ปั๊บนี่ก็มีคนเข้าใจคือพระ อ, อัญญานุญาตเพียงคนเดียวนะอีกสี่ท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ต้องไปฟังไปปฏิบัติต่อไปอีกตั้งหลายเดือนก็ถึงได้เห็นเข้าใจอันนี้ที่เราสวดวันนี้ก็ในเรื่องนี้เราก็ต้องนําไปย่อยไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งอันนั้นเองใน เรื่องของการเกิดเราเกิดมาวันที่เราเกิดทุกวันที่เราดับทุกเนี่ยมันมีตลอดทุกวันวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่หุนเกิดทางกายเกิดทางรูปทางนามเนี่ยแต่ถ้าเราการเกิดการดับของรูปนี้เราเองก็ไม่รู้อาศัยพ่อแม่บอกว่าเกิดวันไหน ตายวันไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อเรามารู้คำสอนของครูที่เจ้าศึกษาคาสอนของมารู้การเกิดการดับของตัวเองในใจรู้ไปเรื่อยเรื่อมันเกิดความชำนาญใ น, นที่สุดสามารถย้อนอดีตว่าเราเกิดอย่างไรเราเกิดมาจากอะไรเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นะรู้จักวันเกิดของตัวเองและก็ มองให้ละเอียดไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันอยู่ได้แค่ไหนแล้วมันจะดับอย่างไรก็ติดตามไปเรื่อยๆ เ, เกิดแล้วต้องตามไปดูปก็ปรากฏว่ามันมีดับเกิดดับสลับกันตลอดเวลาเราเห็นการเกิดดับในใจของเราเองในจิตของเราเองชัดเจนปั๊บเราก็จะรู้วันดับของเรา เป็นพระ อ, อริเจ้าหลายท่านท่านสามารถกาหนดรู้วันดัดปันตายได้เพราะท่านเห็นเกิดกันการเกิดดับของตัวเอง mm hmm. เพราะรู้วันสิ้นกิเลสด้วยว่ากิเลสมันสิ้นถึงรู้การเกิดการดับเพราะฉะนั้นญาณทั้งสามญาณที่เราเกิดจากตัววิญญาณที่เราปฏิบัติคือสร้างตัวรู้เนี่ยมันไปสร้างญาณทั้งสมญาณที่เห็นการเกิดเรีอกว่าปุเพนิวาส า, สานุสติญาณ และเห็นทั้งการเกิดและการดับเรีวยกว่าจุตูปปาตญาณและเห็นการที่จะทํากิเลสอาสวะให้ดับไปจากใจอีกทีหนึ่งเรีวยกว่าอาสาวายาญการดับสนิทคือดับจากอาสวะแต่การเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ยังไม่สิ้นอาสวะเมื่อใดดับวิญญาณได้ด้วยก็จะเป็นสิ้นอาสวะ ดังนั้นเองเราก็ปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้เพื่อเราจะต้องไม่กลับมาเวียนว่ายใจเกิดอีกถ้าเวียนว่ายใจเกิดอีกเราก็จะต้องกลับมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหัวเป็นเมียเป็นข้าเป็นธาตุกันอยู่อย่างนี้เป็นสัตว์เป็นเดาวเป็นเขาเป็นนักโทษเป็นเทวดาเป็นคนจนคนรวยคนมีอํานาจคนไวยอํานาจสลับกันไปเงี้ยทุกชาติปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องสนุกพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องสนุก ท่านก็บอกว่าอย่ามาเกิดอีกเลยดีกว่านะอันนี้คือเป้าหมายของเราทำไมเราไม่อยากเกิดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยเป็นข้าถูก ข, ข้าค่ามากี่ชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยติดคู่มากี่ชาติแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเกิดเป็นคนเจ็บคนป่วยถูกฆ่าถูกยิงถูกฟันถูกลัน่นถูกแทงมากี่พวกีิชาตแล้วแต่เมื่อเรารู้เรื่องของปุเพนวาสานุสติญาณเราจะรู้เรื่องนี้ด้วย เราก็จะเกิดการเบื่อหน่ายในพบในชาติของเราเพราะได้เห็นในดีในชาตินั้นเห็นว่าเราเป็นอะไรมาบานะ้างถ้านั้นมันไม่เกิดการเบื่อหน่ายหรอกนะมันก็ยังรักที่จะเกิดรักจะชอบแม้แต่ผมเส้นหนึ่งแล้วก็ยังชอบมันอยู่เมื่อแต่ของตัวเองชิ้นหนึ่งว่าใครมาแตะต้องมาได้แล้วก็ยังชอบมันอยู่แต่ใดเรายังมีอุปทานในตัวเองในของตัวเองในของของตัวเองการเกิดก็ต้องมีอยู่ลําไปเพราะตัวอุปทานพาไปเกิด อุปทานขอให้เกิดพบพบขอให้เกิดชาติแต่ทำลายอุปทานได้เพราะไม่ต้องการเกิดเพราะนั้นมุ่งทำลายตันหาโดยอุปทานให้ได้นั่นเองนะถ้ามุ่งดับตันหาอุปทานไม่ได้ก็ต้องเกิดมีพบมีชาติชร า, าโศกะปริเทวะก็ตามมาอยู่เรือยไปนะวันนี้ช่วงเย็นนี้เราทำความเข้าใจกันแค่นี้ในฐานะที่ท่านยกมาสวดแล้วแล้วก็มาเชิญนายให้เห็นสาระ ของมันนะก็ข อ, อนมูทนาอย่างทานี้น ะ, ะกลับพร้อมกัน